พวกเรา呐เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีได้สโสดาก็บุญแล้วล่ะนะแคนั้นก็บุญแล้วย <c oughs> อย่าโลภ ม, มากเลยนะ <c oughs> อินรีย์เราอ่อนอินรีย์ไม่อ่อนก็คงไม่มานั่งอยู่ตรงเนี้ยนแกหลวงพ่อหลวงพ่อก็พวก อ, อินทรียอ่อนมีอยู่คราวนะไปวัดหลวงปู่สุวัฒนั้นเขาน้อยหลวงปู่ยังอยู่หลวงพ่อยังไม่ได้บวชออก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 อดทนมากเลยในการดูตัวเองตอนเด็กๆพ่อพาไปหาท่านพ่อหลีวัดสโศกรัมท่านสอนให้ทำสมถะปี02ท่านสอนให้ทำสมถาหายใจเข้าพุทธห้ใจออกโทนับหนึ่งเนียนับไปถึงเก้าถึงสนะิบแล้วก็นับถอยหลังลงมาถึง8ถึงเถึง 6, อะไรเงี้ยหลวงพ่อนับเราโอ้เราเด็กเล็กนะนับเลขอย่างนี้นับยาก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 ราจะทะเลทลายเตลิดเปิดเฟิเงไปสะสมกิเลสไป10นาทีมีเวลา5นาทีล้วก็เอาเวลา5นาทีไปสะสมกิเลส5นาทีพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทำงั้นท่านบอกท่านมีเวลา 2-3 นาทีท่านก็ดูเอาอย่างท่านนั่งรถไปท่านจะต้องไปกล่าวสปีดอะไรเงี้ยท่านก็นั่งดูดูไปดูที่เขาร่างมาให้ท่านไม่ร่างเองหรอ ก, นะกดูเขาร่างมาพนะดูพอเข้าใจประเด็นเข้าใจพอยแล้ว